น, นี่เพื่อที่จะสรุป ก, การปฏิบัติแนวเนี้ยให้ถูกต้องเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันเสียเวลาไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเลย แต่ถ้าปฏิบัติถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าปฏิบัติถูกมากก็มีความสุขสงบางมากขึ้นปฏิบัติขึ้นอยู่ตามระดับของมันนะนะดังนั้นเองในพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงเน้นความถูกต้องเป็นหลักเริ่มต้นด้วยสัมมาสัมพุท ธ, ธะสัมมาดัวนะั้นพอถูกต้อง ถือว่าเที่ยตรงหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปพระขึ้นไปสัมมาสติสัมมาสเพราะว่าสัมมาตรงนั้นสำคัญเราขึ้นอลาหังก็สัมมาแล้วกันเถอะสัมมาสัมพุทโธรู้ถูกรู้ถูกต้องคือรู้อย่างไรเี่ยรู้ถูกต้องรู้ให้มันถูกมาที่ตัวเนี่ยถ้าไปรู้ถูกไปทางอื่นเนี่ยมันมันถูกเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดของมันมันถูกมาที่ตัวเราก่อนนะ ดันั้นในวิธีการเนี้ยเราจะเอาส่วนที่เป <tama säger> ็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันพอใะง่านั่งสั่งยกมือไปน้าเดียวมันจะง่วงเงาอเนี่ยส่าซึมยังวัดันเบิกบานประเดี๋ยนะเห็นไง